วันที่15สิงหาคม2521บรรดาสิทธยานุสิทธิได้จัดงานวันคล้ายวันเกิดให้เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงอย่างสมเกียรติที่สุดหลายคนรู้ว่าการจัดงานครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายด้วยอีกสองเดือนข้างหน้าท่านจะต้องประสบอุบัติเหตุถึงแก่มรณภาพผู้ที่ยังตัดไม่ลงปล่งไม่ตกพากันแอบร้องไห้ไวลุ่งหน้าพระบูเหวนั้น แม้จะตัดใจได้หากก็ยังรู้สึกเสียดายอาลัยอาวรในความคิดของภิกษุหนุ่มปูชนียบุคคลเช่นท่านพระครูคงหาได้ยากนักในโลกอันแสนวุ่นวายนี้เจกันสีครามบรรจุดอกบัวสีขาวนวลที่พับกลีบอย่างประนีตดูสวยแปลกตาภิกษุเชื้อสายยวนตั้งใจตกแต่งอย่างประนีตที่สุด ได้รู้ว่าเป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้แสดงกตันยูกตะเวทิตาธรรมต่อพระอุบัชายาจารย์วงมโหรีปีพาสที่มาบรรเลงในงานเป็นวงเดียวกับที่เคยมาเล่นทุกปีทว่าครั้งนี้คนฟังกลับรู้สึกว่าแต่ละเพลงที่บรรเลงนั้นฟังเศร้าส้อยเสียดลึกเข้าไปถึงหัวใจหัวจิต ไม่ผิดกับที่บรรเลงในงานศพหอประชุมหลังใหญ่ขนาด7คูณ20วาสิ้นเงินค่าก่อสร้าง1ล้าน5แสนบาทเสร็จทันเวลาและได้ใช้เป็นสถานที่จัดงานวันเกิดครั้งสุดท้ายของท่านสมพานผู้ซึ่งสั่งเสียพระโบเฮียวไว้ว่าให้ใช้หอประชุมแห่งนี้เป็นที่ปฏิบัติธรรม ของบรรดาพุทธศาสนิกชนผู้สนใจใครทมตลอดจนญาติโยมผู้มีความทุกข์เพราะต่อแต่นี้ไปจะไม่มีผู้ใดมาช่วยไขปัญหาหรือขจัดปัดเป่าทุกข์ให้เหมือนเช่นแต่ก่อนพวกเขาจะต้องแก้ปัญหาแก้ทุกข์ด้วยตัวเองโดยการมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานสำหรับมูลนิธิทุนเสริมสมองนั้น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 ท่านจึงนำสิ่งของไปมอบให้โยมมานดาวัยเจ็ดสิบที่นั่งพับเพียบอยู่หน้าอาสนะสงฆ์ของที่นำไปมอบมีผ้าจงกระเบนลายไทยหนึ่งผืนเสื้อตัดด้วยผ้าลูกไม้อย่างดีหนึ่งตัวและปัจจัยอีก200บาทท่านประครองห่อของขวัญเดินเข้าไปคุกเข่าตรงหน้าโยมมานดาวางของไว้ทางด้านขวามือ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 ปราศจากโรคขาพยาธิท่านอุยพรโยมานดาท่านจะลาไปไหนโยมานดาถามอัตมาจะไปบำเพ็ญเพียรสร้างบารมีต่อในปรโลกวันที่ส4บสี่ตุลาคมอัตมาจะออกเดินทาง พระลูกชายตอบคำถามโยมมารดาขอให้ท่านโชคดีขอให้บรรลุมรรคผลสมดังความตั้งใจนักท่านนะไม่ต้องเป็นห่วงโยมพี่พี่ของท่านเข้าคงจะดูแลโยมอย่างดีอาตมาขอกราบขอบพระคุณพร้อมกันนี้อาตมา ก็ขออโหสิกรรมจากโยมแม่หากอาตมาได้พลาดพลั้งล่วงเกินโยมแม่ไม่ว่าจะด้วยกายกรรมวจีกรรมหรือมนโนกรรมขอโยมแม่โปรดอโหสิกรรมให้อาตมาด้วยโยมอโหสิให้ทันทุกอย่าง และโยมก็ขออโหสิกรรมจากท่านเช่นกันอาตมาอโหสิให้โยมแม่ท่านก้มลงกราบโยมมารดาอีกสามครั้งและจึงลุกขึ้นเดินกลับไปนั่งพับเพียบบนต่างไม้สักเวลาสิบนาฬิกาพระสงฆ์ก้ารูปซึ่งนิมนต์มาจากวัดต่างๆในจังหวัด เริ่มเจริญพระพุทธมนต์และสวดธรรมจักไปจนถึงเวลา11อนาฬิกานาทีจากนั้นญาติโยมช่วยกันประเคนพัะนาหารแด่พระสงฆ์ทั้ง9รูปและพระภิกษุสามนเณรแห่งวัดป่ามะม่วงซึ่งมีทั้งสิ้น90รูปรวมทั้งท่านเจ้าของวันเกิดเป็นปีที่มีพระเนนจำพรรษามากที่สุดนับตั้งแต่ท่านมาเป็นเจ้าอาวาสที่วัดแห่งนี้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 ที่เห็นท่านไม่ฉันท่านพระครูมองอาหารหวานข้าวที่ลูกศิษย์จัดใส่พานกระไหลทองมาถวายแล้วจึงฉันไปสองสาคำเพื่อไม่ให้พวกเขาเสียน้ำใจเสร็จแล้วจึงรวบช้อนยกถ้วยบรรจุน้ำชาขึ้นดื่มตลอดชีวิตของท่านไม่เคยที่จะติดใจไหลหลงในรูปเสียงกลิ่นรสหรือสัมผัสที่น่าใคร่น่าพอใจ แตมคุณห้าไม่เคยมามีอิทธิพลเหนือความรู้สึกนึกคิดของท่านเมื่อภิกษุและสามเณรทั้งเก้าสิบเก้ารูปเสร็จจากฉันพัฒหารบรรดาญาติโยมช่วยกันประเคนจตุปัจัย t h ยธรรมปัจจัยที่พวกเขาถวายท่านพระครูมีจำนวนกว่าสองแสนบาทซึ่งท่านตั้งใจว่าจะนำไปสมทบทุนมูลนิธิ ทุนเสริมสมองต่อไปจากนั้นอาจารย์ชิดประกาศทางไมโครโฟนว่าท่านพระครูจะแสดงพระธรรมเทศนาโปรดโยมมารดาและญาติโยมเพื่อให้คนฟังได้บุญอันเกิดจากการฟังธรรมหรือที่เรียกเป็นภาษาบาลีว่าธรรมสวณนาใหม่เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงอารัมพบทก่อนแสดงธรรมว่า กราบนมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพและขอเจริญพรแด้ญาติโยมพุทธศาสนิกชนที่รักและนับถือทุกท่านอาตมารู้สึกปิติอินดีเป็นอย่างยิ่งที่บรรดาญาติโยมและสิทธญาณุสิทธ์ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานฉลองวันคล้ายวันเกิดให้อาตมา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 ดื่มสุราเสี้ยมเมาหมายในวันเกิดแล้วขับรถไปชนกันถึงแก่ความตายก็มีญาติโยมลองพิจารณาดูการตายแบบนั้นมันดีหรือไม่อาตมารับรองได้ว่าเขาจะต้องไปสู่ทุกขติเพราะคนที่ตายขณะขาดสติเช่นนั้นไม่มีทาง ที่จะไปสุขติได้อาตมาขอบิณฑบาตเถินนะขอญาตโยมอย่าไปจัดฉลองวันเกิดกันแบบนั้นเลยเพราะนอกจากจะหาประโยชน์มิได้แล้วยังสิ้นเปลืองเงินทองอีกด้วยบรรดาญาตโยมที่ฟังอยู่ไม่มีผู้ใดคิดโต้แย้งหรือคัดค้านในสิ่งที่ท่านพูด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 และก็คงจะเป็นการเทศครั้งสุดท้ายเพราะปีต่อๆไปคงจะไม่มีการจัดงานวันเกิดของอัตมาอีกท่านบอกเป็นในๆซึ่งหลายคนรู้ว่าท่านหมายถึงอะไรที่อาตมาเลือกเทศเรื่องพระคุณแม่เพราะรู้สึกซาบซึ้งในพระคุณของท่านถ้าไม่มีแม่ เราทุกคนก็ไม่เด็กเกิดอันนี้เป็นความจริงที่ไม่ต้องพิสูจน์ผู้ใดก็ตามที่คุณแม่ยังมีชีวิตยอยู่เมื่อฟังเทศแล้วให้กลับไปหาแม่ไปกราบเท้าขอสีนขอพรจากท่านจะได้มั่งมีสีสุขส่วนคนที่เคยทำไม่ดีไว้กับท่านก็นำทูบแห่ เทียนแพ่ไปกราบขออโหสิกรรมล้างเท้าให้ท่านด้วยเป็นการขอขมาลาโทษบางคนไปรังเกยียจคุณแม่ว่าแก่เท่าไม่สวยไม่งามพอตัวเองแก่ก็เลยถูกลูกหลานรังเกยียจจึงเป็นกงเวกวียนกาเกวียนยืดเยื้อกันต่อไปอีกใครที่คุณแม่ ล่วงลับไปแล้วก็ให้มันทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านและถ้าจะทำบุญด้วยการมาเจริญกรรมฐานแล้วอุทิศส่วนกุศลไปการทำเช่นนี้ถือว่าได้บุญมากที่สุดทั้งฝ่ายผู้ให้และผู้รับคนฟังซึ่งมีทั้งพระภิกษุสามเณรและครอหอขัดต่างพากันรำลึกนึกถึงมารดาของตน คนที่เคยเถียงพ่อเถียงแม่คําไม่ตกฟากก็เพิ่งจะรู้ตัวว่าได้สร้างกรรมทาเข็ญไว้กับผู้บังเกิดกล้าวจึงคิดที่จะกลับไปทําตามที่ท่านพระครูแนะนำญาติโยมโปรดจําไว้วันเกิดของลูกคือวันตายของแม่เพราะวันที่ลูกเกิดนั้นแม่อาจต้องเสียชีวิตการออกศึกสงคราม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 กระทั่งลูกแต่งงานมีเย่ามีเรือนไปแล้วแม่ก็ยังเฝ้าห่วงใหญ่รักใคร่ไม่จืดจางท่านหยุดจิบน้ําชาจากถ้วยและจึงเทศนาต่ออาตมาเห็นความทุกข์อย่างแสนสาหัสของคนเป็นแม่ก็ตอนที่เป็นหมอตําแย่ทาคลอดให้พี่สาวแม้ว่า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 กลับบ้านหิวข้าวก็ต้องทนเอาเพราะยายสั่งมาให้ซื้อข้ากินให้กลับมากินบ้านเรายายว่าซื้อข้ากินมันแพงจานละตั้งสามสตางค์สู้กลับมากินข้าวที่บ้านไม่ได้อตมาก็จำเป็นต้องเชื่อยายบางทีกว่าจะถึงบ้านหิวแทบลมจับอยู่มาวันหนึ่ง ขณะที่อาตมาหาบกระจัดเปล่ากลับบ้านกบพบกับพี่สาวกลางทางเขากําลังท้องแก่จะเดินทางไปคลอดลูกที่บ้านแม่ของเขาซึ่งเป็นป้าของอาตมาที่ต้องเดินทางไปคลอดบ้านแม่เพราะเขาอยู่กับพ่อผัวแม่ผัวซึ่งรังเกียจว่าเขาจนและไม่ยอมช่วยเหลือเกื้อกูลแต่ประการใด เดินไปได้ครึ่งทางก็เกิดปวดท้องนอนร้องครวญครางอยู่ใต้ต้นไทรพอเห็นอาตมาเดินผ่านมาเขาก็ดีใจพูดกับอาตมาว่าน้องเอ้ยช่วยพี่ด้วยพี่ปวดท้องใจจะขาดอยู่แล้วช่วยเอาลูกออกให้พี่ทีอาตมาถึงจะอายุสิบ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 อาตมาก็ยังงงอยู่เลยนึกถึงเทวดาก็นึกตามประษาเด็กๆไม่รู้ว่าเทวดามีจริงหรือเปล่าแต่ยายเคยเล่าให้ฟังบ่อยๆก็คิดว่าคงจะมีมั่งเลยประนมมือบอกรุกขเทวดาประจําต้นใสให้ช่วยแล้วก็ราา้คาถาชุมนุมเทวดาที่ยายเคยสอน จนจําได้ขึ้นใจแล้วท่านจึงร่ายบทชุมนุมเทวดาด้วยเสียงที่ไพเราะเพราะพริ้งว่าสักเคกามีจะรุปเปคิริสิคระตะเตจันตาลิเควมาเนที่เปรเทจคาเมตรุวนาคาเนเควัดทุมเขเต อุมมาจายันตุเทวาชลธาลวิสเมยักขันทพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวราวัจนังสาธโวเมสุนันตุธรรมสวนาคาโลอยัมพทันตา ธรรมสวนณกาโลอายมพัทันตาธรรมสวรกาโลอายมพัทันตาคนฟังพากันยิ้มน้อยยิ้มใหญ่รู้สึกว่าหูของตนมีบุญที่ได้ฟังท่านไร้พระคาถาพอว่าคาถาจบเทวดาเข้าสิงอัตมมาเลยที่รู้ว่า เทวดาเข้าสิงเพราะท่านมากระซิบข้างหูว่าดึงเด็กออกมาดึงเด็กออกมาอาตมาถามดึงยังไงเด็กอยู่ที่ไหนเทวดาบอกอยู่ในท้องเอามือล้วงเข้าไปในผ้า น, นุ่งก็จะเจอหัวเด็กอาตมาก็ทำตามดึงพรวดสุดแรงเลยเสียงพี่สาวร้องกรี๊ด แล้วสลบเมือดอไปเลยอัตมาก็ตกใจเพราะเห็นไส้ยาวๆติดตัวเด็กออกมาคิดว่าเราคงดึงไส้พี่สาวออกมาหมดท้องแล้วมั่งพี่สาวคงต้องตายแน่ๆจะทำยังไงดีหนอเสียงเทวดากระซิบข้างหูว่าไม่ตายหรอกแค่สลบไปเท่านั้น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 เขานิยมไว้เล็บยาวกันเรียกว่าเป็นแฟชั่นอาตมาก็ไว้กับเขาคือเขาจะไว้เล็บข้างละสองนิ้วนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วก้อยอาตมาก็ทำตามที่เทวดาบอกพ่อรกขาดเลือดพุ่งเลยเด็กส่งเสียงร้องอูแว่อูแว่ลั่นปาก เทวดาบอกอีกว่าไปเอาฝุ่นมาโรยตรงแผลอัตมาก็กอบฝุ่นโรยลงไปปรากฏว่าเลือดหยุดไหลแต่เด็กไม่หยุดร้องเทวดาก็บอกอีกว่าเอากระบอกไปตักน้ำมาหยอดปากพอดีมีกระบอกไม้ไผ่อันหนึ่งแขวนอยู่ที่กิ่งใส่ไม่ทราบเหมือนกันว่า ใครนำเปกแขวนไว้อาจเป็นเทวดาก็ได้นะท่านพูดยิ้มยิ้มคนฟังยิ้มตามข้างๆต้นใส่มีหนองน้ำอยู่แห่งหนึ่งอัตมาจึงหยิบกระบอกเดินไปตักน้ำมาหยอดใส่ปากเด็กเจ้าหนูหยุดร้องไห้เลยดูดหยดน้ำจากนิ้วมืออัตมาเสียงดัง เป็นภาพที่ซึ้งใจอัตมาจนทุกวันนี้ได้เห็นสัญชาติญาณการดิ้นรนต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของชีวิตก็ตอนที่เจ้าหนูดูดน้ำจากนิ้วมือนี่แหละพอได้น้ำเจ้าหนูก็หยุดร้องที่วัดด่าก็กระซิบข้างหูอีกว่าช่วยพี่สาวเธอด่วนดูดปาก เอาเลือดที่คั่งออกอตมาก็เอามือง้างปากพี่สาวดูดเลือดและเสมหะของพี่สาวแล้วบวนทิ้งไม่ได้นึกรังเกียจเพราะกลัวเขาจะตายสักพักพี่สาวก็ฟื้นถามว่าน้องเอ้ยลูกพี่ผู้หญิงหรือผู้ชายพอรู้ว่าได้ลูกชายเขาก็ดีใจอตมา ก็เลยช่วยพากลับบ้านทั้งแม่ทั้งลูกปัจจุบันนี้พี่สาวอายุเกือบเกือบหสส่วนล้านชายที่อาตมาทำคลอดอายุเกือบ40สแล้วนี่แหละที่ทำให้อาตมาเห็นใจคนเป็นแม่แล้วก็รักแม่มาตั้งแต่บัดนั้นเมื่อท่านเทศจบหลายคน บบเช็ดน้ำตารวมทั้งโยมมันดาของผู้เทศด้วย